เดือนที่สองสุขทุกข์เหมือนฝันไปเดือนแรกผ่านไปโดยฉันถือหลักรู้สิ่งเดียวให้เชี่ยวชาญผลคือความเชื่อมั่นว่าฉันก็เจริญสติปัฏฐานได้และเมื่อเจริญสติปัฏฐานได้ก็แปลว่าเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันการขึ้นเดือนที่สองทำให้ฉันถือเป็นเริกสำรวจความเป็นไปได้ ว่าจะเริ่มพยายามเพื่อความคืบหน้าใหม่ๆอันใดได้บ้างเพราะณวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเห็นกายชัดผ่านลมหายใจและอิริยาบทแน่แล้วนึกได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในระหว่างบทตอนว่ายังมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นที่เธอควรทำอีกคือซึ่งหมายความว่าท่านไม่ได้ให้ทำสติรู้ลมหรือสติรู้อริยาบทเท่านั้นแต่ต้องทาอย่างอื่น เพื่อความครบสูตรของสติปัฏฐานสซึ่งเมื่อไต่มาตามลำดับบันไดฉันก็เห็นเลยทีเดียวว่าเมื่อเจริญสติจนอยู่ตัวระดับหนึ่งจะเป็นของง่ายในการก้าวสูงขึ้นด้วยแนวทางที่พระพุทธเจ้าประทานไว้สอดรับรัดกลุ่มแล้วอย่างเช่นที่เห็นกับประสบการณ์ตัวเองคือการปฏิบัติหมวดกายไม่แต่จะทาให้รู้จักความเป็นกายในสภาพเกิดดับอย่างเดียวแต่ยังทาให้จิตส่งออกนอกน้อยลง มีความสงบสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ไม่ต้องคลุกกับการงานทางโลกแทบเรียกได้ว่าเพียงแค่เดือนแรกก็ชำระล้างวิญญาณยกระดับวิญญาณกันใหม่เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าปรารถนาจะดูความสุขความทุกข์โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงฉันก็พร้อมแล้ว เนื่องจากเครื่องมือในการเจริญสติหมวดเวทนาปรากฏเด่นชัดเสมอเสมอการเจริญสติรู้สุขทุกขโดยสรุปสุขกับทุกข์ในสามัญสำนึกของคนทั่วไปคือสิ่งที่ต่างกันเป็นขั้วตรงข้ามแต่สุขกับทุกข์ในมุมมองของผู้รักความจริงนั้นเป็นสิ่งเดียวกันคือได้ชื่อว่าเวทนาเหมือนกันเกิดขึ้นด้วยเหตุเป็นธรรมดาและย่อมต้องดับลงเป็นธรรมดาเหมือนกันความต่างระหว่างเวทนาคงคล้ายกับเหรียญคนละหน้า เปรียบสุขเหมือนกับหน้าที่เป็นหัวเปรียบทุกเหมือนหน้าที่เป็นก้อยแต่ทั้งหัวและก้อยก็คือเหรียญเดียวเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไม่อาจแยกได้พูดง่ายๆคือถ้ายังมีสภาพที่เป็นสุขได้ก็แปลว่ายังมีสภาพที่เป็นทุกข์ได้เช่นกันยกตัวอย่างขอให้ลองคิดดูถ้าสถานการณ์ไหนทำให้เราเป็นสุขมากหากลับสถานการณ์นั้นเป็นตรงข้าม ความรู้สึกเราย่อมพลิกคว่ำขมางายตามไปด้วยอย่างแน่นอนเช่นเมื่อได้มาซึ่งบุคคลอันเป็นที่รักย่อมก่อสุขเปี่ยมล้นแต่เมื่อพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักย่อมก่อทุกข์มหันเช่นกันที่ต้องทำความเข้าใจไว้แม่นๆคือในหมวดเวทนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แนะวิธีบาบัดทุกข์บารงสุขให้ตัวเองแต่ท่านให้รู้ตามจริงว่ากาลังสุขหรือกาลังทุกข์ กล่าวโดยหลักการโดยสรุปมีดังนี้ 1. เสวยสุขอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังสวยสุข 2. เสวยทุกก็รู้ชัดว่ากาลังสวยทุกข์ 3. รู้สึกเฉยเฉยก็รู้ชัดว่ากำลังรู้สึกเฉยเฉย 4. เปรียบเทียบได้อย่างรู้ชัดระหว่างสวยสุขแบบมีเหยื่อล่อภายนอกกับไม่มีเหยื่อล่อภายนอก 5. เปรียบเทียบได้อย่างรู้ชัด ระหว่างเสวยทุกแบบมีเหยื่อล่อภายนอกกับไม่มีเหยื่อล่อภายนอก 6. เปรียบเทียบได้อย่างรู้ชัดระหว่างรู้สึกเฉยแบบมีเหยื่อล่อภายนอกกับไม่มีเหยื่อล่อภายนอกโดยย่นย่อเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ว่าจะทำให้ถึงคือเห็นสุขทุกเฉยโดยความเปรียบเทียบว่าต่างกันอย่างไรเพื่อที่จะเห็นว่าทั้งทุกสุขเฉยนั้นต่างก็เป็นเวทนาเหมือนกันหมด เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันหมดวันที่หนึ่งติดสุกวันแรกของเดือนใหม่ฉันเริ่มสังเกตว่าชีวิตของตนเองเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้วยมุมมองของตนเองจากภายในและทั้งด้วยมุมมองของสายตาคนภายนอกด้วยมุมมองของฉันเองฉันรู้สึกสงบสุขยิ่ง เห็นชัดว่าเริ่มจากกายที่ไม่กระสับกระส่ายไม่มีแรงดันให้กวัดแกวง่งไม่มีพลังขับให้เหลือกหูเหลือกตาไปเสพภาพเสียงร้อนๆอนแบบชาวโลกที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอกลดกําลังลงแต่ฐานสติภายในของฉันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆหลายจังหวะฉันยังสนุกกับโลกภายนอกได้ถ้ว่าไม่สนุกจนหลงเพลิดกระทั่งพริกขมามันกลับด้านเป็นทุกข์และเวลาปกติส่วนใหญ่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 ยอมรับว่าบางทีฉันก็แชกเคลิมบ้างเหมือนกันคือพอสงบกายสบายจิตแล้วก็เผลอนิ่งจมอยู่อย่างนั้นด้วยความพึงใจเดินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขทํางานวุ่นๆก็ยังอุตส่าห์เป็นสุขเสร็จจากงานมักนั่งพักนิ่งๆแขนขาวางอยู่ตรงไหนก็วางอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานอย่างมีความสงบละไมในตัวเองเหมือนแช่น้ําเย็นได้นานตามปรารถนาโดยไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะพร่องลง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 ถ้าปราศจากที่ตั้งก็เกิดขึ้นไม่ได้สุขเวทนานั้นอาศัยอะไรเป็นที่เกิดไกยนี้เองเป็นที่เกิดแต่ไกยนี้ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงประกอบให้เกิดกายขึ้นดังนี้สุขเวทนาอันต้องอาศัยกายจักเที่ยงได้อย่างไรเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้เธอย่อมเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกาย และสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมสามารถละกามกิเลสอันแฝงตัวนอนเนื่องในกายและสุขเวทนาเสียได้เป็นจริงยิ่งนักแล้วโดยเฉพาะถ้าเสวยสุขอันเกิดจากสติรู้อิริยาบทนั่งถ้าหากนิ่งแช่เฉยเฉยด้วยความขาดสติก็ย่อมติดใจในรสสุขอันเคยชินเยี่ยงนั้นมีความพึงใจและบอกตัวเองว่าพอแล้ว เป็นเหตุให้ไม่อยากถอนออกมาจากสุขอันแช่นิ่งนั้นซึ่งก็เป็นธรรมดาที่คนเรามีความสุขแล้วก็ย่อมไม่เห็นความจําเป็นต้องไขว่คว้าอะไรอีกเรากับเดินทางมาถึงดวงดาวแล้วหากไม่ศึกษาให้ดีๆมีแผนที่อันบริบูรณ์ไว้ในมือซะก่อนก็อาจหลงนึกว่าหยุดปักหลักตรงนี้แหละอย่าไปไหนอีกเลยเป็นอันว่าฉันรู้ตัวว่าต้องดึงตัวเองออกจากหล่มสุขในอิรยาบทคําถามคือ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 มีความรู้สึกปล่อยวางในสุขทั้งที่ดูดีๆแล้วเป็นสุขยิ่งกว่าเดิมเสีย อ, อีกฉันตัดสินตัวเองในบัตรนั้นว่าองค์แห่งโพชงคือสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปสัสสิบังเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ทั้งยังนั่งลืมตายอยู่กับที่กล่าวได้ว่ามีความนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ยังไม่สมบูรณ์แท้เพราะบางทีตายังขยับเลือบด้วยความไหวตามสิ่งกระทบ มีความวางเฉยในสมาธิอยู่บ้างแต่ใจนึงก็รู้ว่ามีตัวตนในท่ามกลางแห่งสตินั้นฉันจึงไม่ปักใจว่าสององค์สุดท้ายของโพชชงอันได้แก่สมาธิและอุเบกขาเกิดขึ้นเต็มที่อย่างปราศจากข้อกังขาแต่อย่างน้อยที่สุดลักษณะทั้งปวงที่ปรากฏทางกายใจในบัดนี้ก็ส่องให้เห็นว่ามาถูกทางกำลังอยู่ในทางและจะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป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 ฉันยังเป็นสุขเหมือนเดิมทว่าความแตกต่างที่สำคัญคือมีสติผุดรู้ขึ้นมาว่าสุขเวทนาอันเกิดจากอิริยาบถนั่งสงบเป็นแค่สภาวะหนึ่งไม่มีความหลงยึดติดแบบแช่เพราะความเคยชินตรงนี้ฉันเคยได้ยินมานานเช่นพระป่าบางรูปเคยพยายามอธิบายความแตกต่างของการเสพสุขในสมาธิระหว่างมีรู้กับไม่มีรู้ประกอบอยู่ด้วย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 จึงเป็นสภาพแปลกที่น่าสนใจภาวะหิวเป็นทุกข์เป็นความทารมานเป็นสภาพที่เบียดเบียนให้สติอ่อนลงเหมือนมันมีกำลังบีบคั้นให้เราอ่อนแอลงได้ทั้งทางกายและทางใจทีแรกฉันสอดตาหาร้านอาหารแต่พอเกิดผุดสติรู้ว่าทุกทางกายเกิดแล้วทุกทางกายปรากฏชัดเจนแล้ว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 ดังที่ปรากฏในคาถาธรรมบทสุขวั์ที่15ความว่าสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งอเผอิญฉันลิมรสความจริงทั้งสองประการนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันซะด้วยช่วงขับรถบนทางตรงเหยียดยาวเมื่อจิต ด, ดื่มด่ำกับความสุขสงบอันเกิดแต่สติสัมปชัญญะรู้อิริยบทนิ่งไม่ไหวติงต่อเนื่องฉันนึกนกอยู่เหมือนกัน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 ขณะปลาทะลึ่งขึ้นสู่ผิวน้ําด้วยความหิวโหยเห็นทุกขณะของการอ้าปากงับเห็นทุกขณะปลาจมลงน้ําด้วยอาการกระวนกระวายไม่อิ่มไม่พอฉันเลิกคิ้วนิดหนึ่งด้วยความพิศวงใจถามตนเองว่านี่เป็นสัมผัสที่คิดขึ้นเองผ่านสายตาหรือว่าเกิดจากการมีจิตสัมผัสอย่างแท้จริงกันแน่ในทุกหมวดของสติปัฏฐานสี่นั้น พระพุทธเจ้าให้ดูกายเวทนาสภาวะจิตและสภาพธรรมต่างๆทั้งภายในตัวเราและของคนอื่นภายนอกเห็นโดยความไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนฉันดูกายตัวเองและเวทนาของตัวเองมาพักหนึ่งแต่ไม่เคยทดลองส่งจิตออกไปสัมผัสคนอื่นหรือสัตว์อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าไม่อยาก หรือกลัวจะไปหลงติดริ์ติดเดชอะไรแต่สารภาพตามตรงว่าไม่ทราบว่าเขาทำกันท่าไหนมากกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเรียกว่าสติของฉันมีฐานที่ตั้งเป็นเวทนาทั้งสุขมากและทุกมากปรากฏชัดเจนจ่าแจ๋วราวกับรูปทรงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจิตมีความรู้ชัดถึงสภาพหรือลักษณะของสุขและทุก ตามจริงกระทั้งเข้าถึงธรรมชาติของความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสุขคือสภาพที่สบายผ่อนคลายเยือกเย็นทุกข์คือสภาพที่บีบคั้นอึดอัดร้อนรนเป็นการเห็นของจริงในตนเป็นการประจักษ์แจ้งว่าทั้งสุขและทุกข์ต่างก็อิงอาศัยอยู่ในกายนี้ร่วมกันหน้าที่ปัจจุบันเมื่อฉันทอดตามองเหล่าปลาหิว ฉันไม่ได้คาดหมายอันใดไว้ก่อนจึงเป็นการมองด้วยจิตที่ว่างเปล่าจากอุปทานไม่มีความอยากรู้อยากเห็นหรือตั้งใจดูทุกขเวทนาของสัตว์อื่นทั้งสิน้นแต่สายตาที่มองอาการกระวนกระวายของสัตว์นั้นก็ทำให้ทราบว่าต้นเหตุอาการกระวนกระวายคือจิตที่ตกอยู่ในห่วงทุกข์ห่วงทรมานอันยืดเยื้อจิตฉันย่างลงไปในทุกของมันขนาดเปรียบเทียบได้ว่ามนุษย์เราหิวจนแสบท้องแล้ว อาจทำใจลืมลืมได้เมื่อหันไปสนใจสิ่งอื่นแต่ปลาหิวแล้วจะกระสับกระสายอยู่ไม่สุขไปทั้งตัวจิตที่รู้สึกโหยหาอาหารนั้นหาความสงบไม่ได้เลยมีแต่คิดพุ่งไปเอาอะไรที่พอกินได้มาใส่ท้องตลอดเวลาฉันอาจเห็นปลาที่อิ่มหมีพีมันในตู้ปลาในบ้านจนชินหรือแม้ไปตามสวนสาธารณะแล้วซื้อขนมปังโยนแจกปลา ก็เห็นมันดิ้นรนถึงแย่งเศษอาหารกันจ้าละวันด้วยความรู้สึกธรรมดาธรรมดาต่อเมื่อมีจิตสัมผัสทุกข์ซึ่งมีเนื้อหาเป็นรสเดียวกันมีธรรมชาติทุกข์อันเนื่องด้วยกายเหมือนเหมือนกันฉันถึงกับตกตะลึงและรับรู้เป็นวาระแรกว่าโลกแห่งการมีชีวิตน่ากลัวถึงเพียงนี้ฉันเงยหน้าขึ้นทอดมองไปตลอดแผ่นน้าที่เรียบสงบผาสุกในสายตาของมนุษย์ กำหนดนึกถึงทุกของปลาที่ยังติดอยู่ในใจแล้วน้อมตรวจลงไปเบื้องใต้ผิวน้ำว่าทุกแบบเดียวกันนั้นมีประมาณสักเท่าใดก็ต้องบังเกิดอาการขนลุกซ่านเกรียวเพราะคล้ายมีคลื่นทุกสาหัดจากความหิวโหวยส่งออกมาจากทั่วทุกหย่อมน้ำรวมกันเป็นปริมาณทุกร้อนมหาศาลณนะเวลานี้จิตฉันยังไม่เห็นชัดขนาดระบุจานวนความรู้สึกบอกตัวเองเพียงว่า อาหารปริมาณมากแค่ไหนก็เลี้ยงไม่พอกำจัดทุกใหญ่ของเหล่าสัตว์ในลำน้ำคลองสายนี้แห่งเดียวไม่ได้เลยโลกปรากฏเป็นของน่ากลัวไปในพริบตาทั้งที่เมื่อครู่คลองสายนี้ยังดูสงบสุขเปี่ยมสันติหน้าพิสมัยยิ่งกว่าที่ไห น, ไหนโลกสันนิวาตอันแท้จริงอาจหลอกตาสัตว์บางประเภทให้หลงเพลินติดใจแต่ขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่คุมขังให้สัตว์อีกประเภท ดินพลานไปจนกว่าจะถึงอายุไขสัมผัสนั้นไม่ทําให้ฉันคิดว่าเป็นอุปาทานเพราะชัดราวกับหูได้ยินสัญญาณเสียงดังๆเปล่งออกมาจากรอบทิศแต่คงอธิบายให้ใครรับรู้ตามไม่ได้ทําที่ปรากฏต่อใจเป็นเช่นนี้เองรู้ได้ด้วยใจตนรู้ได้เฉพาะตนส่งถ่ายให้ผู้อื่นรับรู้ตามไม่ได้ถ้าพยายามพูดคนก็อาจหาว่าบ้าไปเอง คิดไปเองเท่านั้นเหลือบตามองพื้นศาลาลูกแมวผอมโซที่มีขนเพียงร้อมแรมตัวหนึ่งเดินมาหาฉันดูมันตัวสั่นคล้ายคนชราท่าทางงกงกเงินเด้วยสุขภาพย่ำแย่เจ็บอดอดแอดๆอมาตลอดมันไม่น่ารักเหมือนแมวบ้านที่ถูกประคบประงมเลี้ยงดูด้วยนมและข้าวน้ำดวงตาด้านด้านของมันเล็งมองฉันด้วยแวววอนอปากของมันขยับร้องเมี้ยวเมียวเล็ก แบบร้ายกำลังวังชาหน้าแปลกที่แม้มันมีสภาพสมเพศเพียงใดก็ไม่อาจก่อให้เกิดใจสงสารสักเท่าไหร่คงเป็นกรรมเก่าของมันส่งให้มาอยู่ในสภาพเช่นนี้กระมังสภาพของมันคล้ายฟองให้ฉันรับรู้ด้วยตาเปล่าทํานองสมควรแล้วที่ต้องมาเป็นอย่างนี้อะไรบางอย่างในมันจู่ๆก็ทําให้ฉันนึกถึงคนใจร้ายที่มักก่อเวรด้วยการปลอกลอก หรือหลอกลวงผู้อื่นจนสิ้นเนื้อประดาตัวไรที่พึ่งอาศัยจิตฉันไม่นิ่งตั้งมั่นขนาดหมดความสงสัยว่าที่สัมผัสนั้นเป็นกรรมเก่าของแมวจริงๆหรือไม่รู้แต่ว่าฉันไม่รู้สึกสงสารมันเลยวิบากกรรมของมันคงผลิตกลิ่นเหม็นแปะไว้คือเห็นแล้วเหม็นหน้าหรืออย่างเบาะๆก็สมน้ำหน้าทันทีโดยไม่ต้องทาความรู้จักซะก่อนหลังจากร้องขออาหารอยู่พักหนึ่ง พอแน่ใจว่าจะไม่ได้อะไรจากฉันมันก็เดินกระตุม้มกระเตรียมจากไปแบบไม่มีปากไม่มีเสียงฉันมองตามอย่างไม่ตั้งใจนักเห็นมันไปหยุดยืนมองน้ำครู่หนึ่งแล้วเคลื่อนที่ต่อไปดมๆกองขยะเล็กๆดูๆท่าทางมันคงเผชิญชีวิตเปลี่ยวดดยตามลำพังมาระยะหนึ่งอาจนับแต่แรกเกิดทีเดียววินาทีนั้นฉันเกิดประสบการณ์สัมผัสทุกภายนอกขึ้นมาอีก กล่าวคือเมื่อไม่เห็นหน้าไร้สง่าราศีของมันเห็นสภาพหัวเดียวกระเทียมรีบไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจความรู้สึกหวาดกลัวเหงาหงอยและสแสวงหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของมันอย่างแจ่มชัดความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นที่มันแต่มาปรากฏขึ้นที่ความรับรู้ของฉันด้วยฉันแทบจะรู้เลยว่าอาการเพ่งมองอย่างเลื่อนลอยไร้จุดหมายของมันนั้นออกมาจากกระแสสานึกภายในชนิดใด คล้ายกำลังกล้ามกลืนก้อนเศร้าชิ้นเดียวกันกับมันอยู่พอสัมผัสชนิดเข้าถึงทุกในแมวตัวนั้นฉันจึงเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายน่าเวทนาเสมอกันหมดหลงทำชั่วด้วยความไม่รู้จนตัวชุ่มบาปเสมอกันหมดเวียนว่ายหลงวนอยู่ในภพภูมิอันวิ จ, จิตด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวเสมอกันหมดแทบไม่อาจกระเดือกน้ำลายลงคอราวกับเป็นคนอ่อนไหวขี้สงสาร เห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากแล้วน้ำตาพานจะไหลฉันรีบเดินไปยังร้านค้าที่ใกล้วัดที่สุดซื้อขนมปังและอาหารบางอย่างที่คาดว่าแมวและปลาน่าจะกินได้หอบกลับมาเพรเรเกวียนต้องเดินหาลูกแมวตัวน้อยพักหนึ่งเพราะมันไม่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วฉันเจอมันไม่ห่างจากสาลาท่าน้ำเดิมนักรีบคว้ามันมาลูบตัวปลอบอย่างไม่รังเกียจเนื้อตัวสกปรกของมัน เอาข้าวของที่เตรียมมาเทลงจานกระดาษให้กับมันราวกับเป็นเจ้าเหมียวที่บ้านถ้าทางมันดีใจออกหน้าออกตาแต่กลุ่มตะกรามกินใหญ่ฉันปลื้มปิติจนสะอึกเพราะสัมผัสความดีใจเฉพาะหน้าของมันอย่างชัดเจนกับทั้งรู้ซึ้งด้วยว่าความดีใจนั้นจะเกิดขึ้นไม่นานเดี๋ยวมันจะหิวอีกและฉันจะไม่สามารถตามไปช่วยให้มันหายหิวได้ตลอดไป เอาขนมปังมาบิเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแจกปลาตรงท่าน้ําที่เมื่อครูเห็นว่ามีแค่สองสมตัวนั้นผิดถนัดบัดนี้มันแห่กันมาจากไหนไม่รู้เป็นฝูงใหญ่เพียงโยนเศษขนมปังลงไปแค่สองสาชิ้นก็เห็นพวกมันดิ้นโครมครามแข่งแย่งกันราวกับเกิดกะลียุกขนมปังกองใหญ่ของฉันแก้หิวปลาโชคดีได้แค่ไม่กี่ตัวและเป็นการประทะประทางเพียงชั่ววูบชั่ววา่าบ ฉันสัมผัสถึงการหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กน้อยที่มีให้พวกมันได้ในเวลาสั้นแสนสั้นไม่มีปลาตัวไหนอิ่มเลยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นที่พึ่งของตนจริงๆพวกมันไม่มีบุญคอยรักษาไม่มีบุญคุ้มจากความหิ ว, หวโหยอดโซไม่มีบุญปกป้องจากความหนาวร้อนในโลกนี้เหมือนบ้านไม่มีรัว้วพยันตรายหรือวิบากชั่วไหนๆก็สามารถเข้ามาจู่โจมเล่นงานได้สบายๆ โดยไม่ต้องฝ่าอุปสรรคใดใดทั้งสิ้นแถมยังต้องระหกระเหะเร่ร่อนไปเกิดตายในสภาพบญน้อยไปอีกนานแค่ไหนไม่อาจทราบสูดลมหายใจลึกพวกหมาแมวในวัดคงได้กลิ่นคนใจดีชักแห่กันเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังขออาหารฉันบ้างแต่ในมือฉันว่างวายซะแล้วไม่เหลืออะไรให้พวกมันอีกเลยได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่เดินออกจากวัดด้วยความเศร้าสลดมนุษย์และสัตว์เกิดมาเพื่อเจริญวัย กระทำการดีร้ายด้วยความไม่รู้เป็นหลักวันหนึ่งก็ต้องแก่ลงแล้วตายไปรับผลกรรมแบบหมดสิทธิเลือกแล้วก่อกรรมต่ออีกเพื่อรับผลอีกหาแก่นสารได้ที่ไหนยิ่งคิดยิ่งสังเวทตนเองและเพื่อนร่วมทุกนับอนันต์ทั่วโลกกระทั่งเกิดสติเพราะความเคยชินในการรู้ฝ่าเท้ากระทบพื้นจึงระลึกได้ว่าจิตกำลังเป็นทุกข์ก็ดูทุกข์นั้นโดยความเป็นสภาพบีบคั้นจิตให้หม่หมอง เต็มไปด้วยฟ้ามัวพระพรายซึ่งไม่เห็นทุกทางใจอยู่เดียวเดียวก็คล้ายสภาพทุกนั้นถูกแทนที่ด้วยสติเต็มดวงกลายเป็นเบิกบานขึ้นมาใหม่เบนวิถีความคิดไปอีกทางคือเป็นมนุษย์นั้นดีอย่างนี้เองหนอหาเงินเลี้ยงชีพก็ได้แต่เมื่อเกิดในายามพุทธศาสนาอุบัติก็มีปัญญาเอาชนะความไร้สติความไม่รู้และความแน่นทึบทั้งปวงได้ โชคดีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไหนๆอย่างไรฉันต้องเอาตัวรอดจากสภาพความไม่รู้อันเลวร้ายและหน้าประวัติพลันพรึงในชาตินี้ให้จงได้สรุปคือวันนี้ฉันเห็นสภาพสุขและสภาพทุกข์อย่างชัดเจนพร้อมกันในวันเดียวแค่เหลื่อมเวลากันเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นยังเห็นทั้งสุขและทุกข์โดยความเป็นสภาพที่ปรากฏภายในและสภาพที่ปรากฏภายนอกด้วย มันเป็นอะไรที่ทำให้โลกทัศน์ถึงกับเปลี่ยนแปลงเหมือนคนที่สะดุง้งเพราะได้ยินเสียงร้องเตือนให้ระวังงูพิษบนพื้นขณะกำลังเดินหน้าเรื่อรื่นอยู่ในสวนดอกไม้วิจิตรพลันเหลือบมองพื้นก็พบงูเงี้ยวเขี้ยวขอหน้าขยะข ย, ยงชวนสยองกล้าวเสือกคลานยุ้ยเยี้ยไปหมดและมันก็ไม่ใช่ภาพฝันผ่านเสด้วยแต่ยังคงเป็นฝันร้ายที่ฉันกาลังถูกขังอยู่ในนั้นด้วยตาที่เปิดครึ่งหนึ่งบ้าง กลับปิดมิดลงบ้างแล้วแล้วเล่าเล่ายังไม่อาจลืมตาเต็มตื่นจริงจังสักทีวันที่สามเจริญสติระหว่างสมไข่เมื่อคืนฉันรับจ็อบพิเศษเพราะปฏิเสธเพื่อนร่วมงานที่บริษัทเก่าไม่ได้นั่งทำงานอยู่เกือบสี่ชั่วโมงจนเสร็จและส่งให้เพื่อนทางอินเทอร์เน็ตก็ดีเหมือนกันได้สตางมาทำบุญเพิ่มตั้งเยอะโดยเสียเวลาเหนื่อยเพียงไม่นานนัก แถมฉันยังได้ทำสมาธิต่ออีกสองนาทีก่อนใช้สติในวินาทีสุดท้ายพาร่างไปนอนเหยียดบนเตียงแทนการฟุบอยู่กับพื้นผลของการตะลุยงานหนักโดยปราศจากความแช่มชื่นในสมาธิมาช่วยหล่อเลี้ยงคือเช้านี้ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองปวดหัวข้างเดียวตัวร้อนร้อนรุม ร, มรุมชอบกลคงจะเป็นไข้แน่แล้วเมื่อคืนหักโหมจนลืมดูสภาพอากาศ ลมหนาวต้นกุมภาพันธ์ปีนี้บ้าบาบอๆเสียด้วยบทจะพัดมาก็เอาใหญ่บทจะนิ่งก็อบอ้าวเหลือหลายจนในที่สุดสิ่งมีชีวิตที่บอบางอย่างมนุษย์เช่นฉันต้องประสบภาวะตะครั่นตะครอจนได้ฉันทานข้าวเช้าแบบฝืดคอหาข้าวต้มหรือของอ่อนๆไม่ทันแล้วอยากกินยาลดไข้หลังอาหารเร็วๆมากกว่าเพราะถ้าพรุ่งนี้ไปทางานไม่ได้จะยุ่ง ไหนจะต้องไปพบลูกค้าตามนัดช่วงบ่ายเพื่อเอางานไปเสนอเออช่วงเช้ามีประชุมสำคัญอีกต่างหากชักเครียดขึ้นมาหน่อยๆสั่งร่างกายตัวเองว่าอย่าพยศนานเชียวนาพรุ่งนี้ต้องไปทำงานขาดไม่ได้เด็ดขาดมิฉะนั้นจะต้องถูกเพ่งเลงและคะแนนในใจเจ้านายอาจลดลงหลังจากสู้อุตสาห์ทำแต้มสูสีหรือเหนือกว่าคู่แข่งคนสาคัญมาช้านาน แต่ความกลัวขาดงานของฉันก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายดีขึ้นหลังจากขึ้นมานอนหลับไปงีบหนึ่งตื่นขึ้นมายิ่งปวดหัวและตัวร้อนกว่าเดิมฉันถอนใจหนักๆลุกมาเข้าห้องน้ำด้วยความเครียดไม่อยากตระหนักประจักษ์ซึ้งในความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายยามนี้เอาซะเลยทว่าอนัตตาก็ยังเป็นอนัตตาอยู่ตลอด24ชั่วโมงใครจะไปบังคับควบคุมมันได้มันจะป่วยซะอย่าง มันจะพยศสักอย่างตามเหตุปัจจัยที่ทำให้ป่วยและพยศฉันก็ได้แต่รับรู้แบบไม่อยากทำใจไม่อยากเจริญสติให้ไปหาหมอเพื่อฉีดยาหรือรับเม็ดยาวิเศษมาเดี๋ยวนี้ก็คงหายไม่ทันพรุ่งนี้แน่หมอแถวบ้านฉันไม่ค่อยมีเวลาตรวจคนไข้ละเอียดซะด้วยสิจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าเป็นไข้แบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินยาพาราธรรมดา รักษาเนื้อรักษาตัวสองสาวันก็จะทุเลาลงคิดไปคิดมาจึงตกลงใจว่าพรุ่งนี้เป็นอย่างไรก็ช่างต้องออกจากบ้านทำงานตามปกติให้ได้ต่อให้ปวดหัวมึนงงหรือตัวร้อนจนดันประรอดแตกก็ช่างฉันกลับมานอนเตียงฝืนข่มตาลงแต่เวลาผ่านไปก็ยิ่งรู้สึกลำบากเพราะไม่ง่วงนักมีแต่ใจอยากให้ร่างกายพักผ่อนเพื่อฟื้นไข้ทันเวลายอย่างเดียว พยายามอยู่อย่างทรมานทรกรกำสิบนาทีก็นึกถึงลมหายใจเข้าออกสิบนาทีที่ผ่านมาฉันฝืนเกรงจนไม่มีแก่ใจตั้งสติตามรู้ลมคล้ายคนกําลังถูกกลุมด้วยไฟร้อนรอบด้านจะให้ใจเย็นนั่งนับดาวราวกับคนที่อยู่เป็นปกติสุขอย่างไรไหวเล่าระบายลมหายใจออกยาวในครั้งหนึ่งรู้สึกถึงความร้อนที่กลั้วปนไปกับลมหายใจ อุณภูมิที่ขึ้นสูงในร่างนั่นเองปรุงให้ลมหายใจกลายเป็นลมร้อนในทะเลทรายไปได้แต่ก็แปลกดีพอนึกเล่นๆว่าลมหายใจเหมือนลมร้อนในทะเลทรายก็เห็นตามจริงว่าลมหายใจร้อนกว่าปกติส่วนดวงจิตกลับสงบลงได้เกิดอาการตาสว่าง ท, งทั้งที่ยังหลับตาอยู่อย่างนั้นฉันเสวยทุกคเวทนาทางกายไม่พอยังเสวยทุกคเวทนาทางใจเข้าไปอีก ร่างกายกระสับกระส่ายแล้วจิตใจยังดิ้นรนราวกับจระเข้ฟาดหางอลวาดน้ากระจายอย่างนี้เขาเรียกทุกขุณสองจริงๆเพียงใจฉันยอมรับตามจริงได้ว่าลมหายใจยามไข้เป็นของร้อนโดยที่จิตไม่อยากให้มันหายร้อนตัวของจิตเองก็เหมือนสบายไปครึ่งหนึ่งแม้ยังต้องถูกบีบไว้ด้วยสภาพทุกข์ทางกายไม่น่าชอบใจก็ยังสงบได้ ด้วยลักษณะเห็นตามจริงไม่วิ่งหนีไม่ผลักใสปักหลักมั่นอยู่ตรงที่ที่ถูกบังคับให้เผชิญกับความจริงนั่นแหละก่อนหน้านี้ฉันเริ่มสังเกตมาบ้างว่าแค่ดูลมหายใจเป็นอย่างเดียวก็แทบจะรู้ได้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองเช่นขณะกำลังคิดฟุ้งซ่านกระจัดกระจายลมหายใจจะหยาบสั้นเหมือนลมที่มากับความมืดและถ้าไม่สำเนีกรู้จะเหมือนลมหยุดหายไปนานด้วยซ้า กว่าจะนึกได้และต้องระบายลมยาวๆสักทีเพื่อไม่ให้เตลิดไกลเกินกู่กลับมาขณะกําลังหนักใจคิดมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งลมหายใจจะมากับความอึดอัดเรากับเราสูดเอาของทึบๆเข้ามาในร่างแล้วคงค้างความหนักทึบไว้ในหัวขณะกําลังใจร้อนอยากเร่งให้เกิดผลบางอย่างไม่ว่าจะงานทางโลกหรือความสงบภายในลมหายใจจะพลอยแฝงสภาพร้อนรน เช่นกระชากสั้นหายใจถี่กระชั้นด้วยร่างกายบีบเกรง็งขณะกําลังเหนื่อยลมหายใจจะอ่อนอาจเป็นเพราะร่างกายขาดกําลังดึงหรืออาจเป็นสติน้อยเกินกว่าจะคํานึงถึงเครื่องชูกําลังง่ายๆที่หาได้ตลอดเวลาเพียงดึงลมหายใจให้แรงขึ้นยาวขึ้นมีคุณภาพขึ้นต่อให้เหนื่อยแสนเหนื่อยขนาดไหนกําลังก็ต้องฟื้นคืน มีความสดชื่นเพิ่มขึ้นสักนิดในช่วงขณะเวลาที่ลมแรงกว่าเดิมนั้นขณะกำลังปลอดโปร่งโล่งตลอดลมหายใจจะยืดยาวชัดลึกและนิ่มนวลยิ่งถ้าตั้งสติไว้กับลมหายใจไปเรื่อยๆความปลอดโปร่งก็จะกลายเป็นความสุขสงบตั้งมัน่นลมหายใจประเภทนี้เองที่เราต้องการทั้งในแบบช่วยตั้งสติตลอดจนทําให้พร้อมเกิดธรรมวิจัยแล้วเพียรประคองจนปีติ และระ ง, งับกายใจไม่ให้กวัดแกว่งเพื่อความมั่นคงของจิตอันจะนำไปสู่การวางเฉยอย่างถูกต้องในภายหลังแต่ขณะกำลังเป็นไข้ฉันยังไม่เคยสังเกตมาก่อนว่าลมหายใจมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นไข้งวดนี้จึงไม่ควรให้เสียเที่ยวเปล่าฉันตั้งใจว่าให้ทรมานอย่างไรก็จะลองติดตามรู้ลมไปเรื่อยๆ ดูซิว่าจะเก็บตกหรือได้เกรดความรู้สายสัมพันธ์ระหว่างลมหายใจกับกายที่สมไข้ยอยู่มากน้อยเพียงใดบ้างฉันพบตามจริงว่ายามเป็นไข้นั้นถึงแม้ลมหายใจขาออกจะร้อนรุ่มไม่เป็นที่สบายสัมผัสในช่องอกและโพรงจมูกแต่ลมหายใจขาเข้าก็ยังคงผสมไอเย็นของอากาศภายนอกตามปกติเพียงแต่จะเริ่มฝืนเกรงตอนใกล้สุดลมเข้า เพราะกายอยู่ในสภาพไม่เป็นที่น่าสบายพอลมหายใจพาสติมารู้ความไม่สบายในกายลมก็เลยปรากฏตัวคล้ายไม่ค่อยเป็นมิตรไม่ค่อยเป็นที่น่าสดชื่นเหมือนอย่างเคยทั้งที่จริงลมเข้าก็ยังเป็นลมเข้าเหมือนปกตินั่นเองจะเรียกว่าลมหายใจของคนเป็นไข้เป็นลมหายใจที่มาพร้อมกับความสแสลงกายก็คงไม่ผิด แม้สังเกตข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้ด้วยสติธรรมดาธรรมดาของทุกคนแต่ทุกคนก็จะเชื่อว่าเพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทางกายหรือความรู้สึกนึกคิดลมหายใจจึงปรากฏในแบบหนึ่งหนึ่งแต่มักไม่มีความสังเกตกันว่าถ้าเราหายใจด้วยสติก็จะเป็นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งทางกายและความรู้สึกนึกคิดที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้คําว่าสติในที่นี้ หมายถึงสติรู้ตามจริงไม่ใช่สติแบบพยายามบังคับให้เกิดสภาพที่เราอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นหรืออย่างเช่นที่ฉันอยากในเช้านี้คืออยากหายไข้สติที่มากับความอยากจะทำให้ร่างกายและจิตใจต้องทำงานหนักขึ้นแต่สติที่มากับความยอมรับตามจริงจะทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในดุลพอดีเมื่อคิดได้เช่นนั้น จากตัวอย่างการยอมรับลมหายใจร้อนๆเพียงหนเดียวฉันก็เลิกทุรนทุรายเหลือแต่สติรู้ลมร้อนในขาออกตามจริงและสติรู้ลมเย็นค่อนข้างอุ่นในขาเข้าตามจริงด้วยเมื่อรู้ว่าเข้าเย็นออกร้อนประมาณสิบหนก็เริ่มกําหนดรู้ตามจริงให้ละเอียดขึ้นเห็นว่าตอนหายใจเข้าจะมีความแสลงทางกายปรากฏชัดกว่าตอนลมหยุดไม่ว่าเป็นอาการปวดหัวข้างเดียว อาการรุ่มร้อนตามเนื้อตัวตลอดจนอาการที่หลีกหนีไม่ได้อื่นๆเช่นความเจ็บคอเป็นต้นโจทย์ที่ถามตัวเองแล้วเกิดความสนใจเป็นอันมากคือใจเริ่มเป็นทุกข์ตามสภาพทางกายเมื่อใดฉันได้คําตอบจากสติที่ผูกอยู่กับลมร้อนเย็นตามจริงว่าเป็นทุกข์เมื่อแสลงกายร้อนรุ่มในกายแล้วคิดว่าเรากําลังเป็นไข้ กายเรากำลังอยู่ในสภาพลำบากหน้าอนาถนักอยากหายไข้พ้นสภาพทรมานเสียเดี๋ยวนี้จะได้ทำอะไรตามปกติอย่างที่ต้องการเมื่อคำตอบเป็นที่แน่ชัดว่าใจเป็นทุกข์ตามกายเพราะวิธีคิดแบบขาดสติฉันก็เปลี่ยนมุมมองเสียใหม่เลิกคิดเชื่อว่าที่กำลังแสลงที่กำลังร้อนที่กำลังกระสับกระส่ายอยู่นั้นคือกายของฉัน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 อิริยาบถนอนคือความปรากฏของกายเท่าที่สามารถรับรู้ได้ขณะเหยียดร่างบนเตียงถ้ารู้หัวหลังขาได้ตลอดก็ดีแต่ถ้ารู้แค่หัวกับหลังก็นับว่าใช้ได้ปกติอิริยาบถนอนจะเป็นที่อาศัยของความรู้สึกว่าเป็นเราต่อเมื่อฝึกนอนด้วยการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นของเกิดดับปล่อยเข้าก็จะค่อยๆละลายความเห็นผิดๆลงทีละน้อย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 ความปวดหัวจะทำให้เป็นทุกข์เหมือนแรงเสียดทานสติไม่ให้สติดำเนินผ่านไปได้ง่ายนักเพียงนิ่งในท่าใหม่ครู่เดียวก็จะมีความเป็นเราปวดหัวขึ้นมาแทนเราสบายเสียแล้วหากสติรู้ลมหายใจหรืออิริยาบถนอนตามมาไม่ทันหรือสติใหญ่ไม่พอจะเอาชนะความรู้สึกว่าเราปวดหัวตัวร้อนถ้านอนใหม่ก็จะเอาสติของเราไปกินหมด ความเพียรรู้ในทุกการเคลื่อนไหวจึงมีบทบาทสําคัญฉันพบว่าการนอนตะแคงจะทำให้หายใจติดขัดไม่ลากยาวได้เหมือนอย่างนอนหงายดังนั้นจึงจับจุดได้อย่างหนึ่งคือเมื่อนอนตะแคงควรเน้นสติรู้อิริยาบถมากกว่าสติรู้ลมหายใจแต่เมื่อนอนหงายก็ควรเน้นสติรู้ลมหายใจมากกว่าอิริยาบถส่วนถ้าหากความร้อนหรือความปวดหัวกาเริบ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 เห็นความร้อนในแต่ละช่วงไม่เสมอกันช่วงหนึ่งหนึ่งอาจหมายถึงสองสนาทีฉันไม่ได้แกล้งนึกให้มันร้อนมากขึ้นหรือน้อยลงไม่แม้แต่กำหนดให้ลมระบายออกยาวหรือสั้นแต่ก็เห็นเช่นนั้นด้วยความเพียรอดทนสังเกตในระยะยาวถ้ามีอาการปวดหัวหรือตัวร้อนระดับทรมานก็เปลี่ยนไปกำหนดว่าอิริยบทเป็นผู้ปวดอิริยบทเป็นผู้ร้อน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 คนเราย่อมเห็นค่าของสุขภาพที่ดีเมื่อได้มีโอกาสเปรียบเทียบกับสุขภาพย่ำแย่ใหม่ๆอย่างนี้เองฉันไปทำงานตามปกติร่างกายยังอ่อนเพลียและร้อนๆ ร, รุมๆอยู่บ้างแต่ความเย็นในจิตและความแข็งแรงของสติรู้ช่วยบรรเทาอยู่ตลอดเหมือนผลัดกันรุกผลัดกันรับระหว่างไข้ที่ยังไม่หายสนิทกับจิตที่มีสติคุ้มกันไว้ดี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 คือฟังประชุมด้วยความสุขภายในอันคงเส้นคงวาก็ได้พอถึงตาฉันต้องเอื้อนเอ่ยฉันก็กำหนดสติรู้สึกทางใจพร้อมกับพูดไปด้วยมีความประกอบพร้อมหลายอย่างเกิดขึ้นคือฉันรู้อริยาบทนั่งด้วยทราบด้วยว่าสติรู้อริยาบทนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขใจด้วยแล้วก็เจรจาตามหน้าที่ด้วยดูเหมือนทาหลายอย่างแต่ความจริงคือใจคิด พูดอย่างเดียวบนฐานสติคือสุขเวทนาอันเนื่องด้วยกายศีรษะตั้งนิ่งสบายไม่โยกเยกสองไหล่พักสองแขนตกแนบลำตัวประสบการณ์ในช่วเวลานั้นทำให้รู้จักกับการแผ่เมตตาผ่านคำพูดฉันรู้สึกชัดว่าสุขเริ่มจากจิตอันตั้งมั่นรู้ของตนเองพอจะเปล่งแต่ละคำก็เห็นกระแสสุขยังปักหลักตั้งมั่นที่ฐานเดิม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 ลักษณะสติชนิดนี้เป็นไปด้วยการกับกระแสสุขที่มั่นคงอยู่ภายในเลี้ยงอิริยบทนั่งให้ตั้งนิ่งไม่กระสับกระส่ายไม่กาเกรงรวมทั้งไม่ทื่อเป็นหินหน้าขบขันยิ่งพูดมากขึ้นสติฉันยิ่งเต็มและเกิดความรู้จากภายในว่าทางห้องประชุมรับส่วนแห่งไอเย็นในจิตของฉันไปกันท่วนหน้าพวกเขาดูมีทีท่ารับฟังฉันอย่างดี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 บางทีการนั่งคุยกับญาติมิตรด้วยกระแสะใจที่อุดมสุขในสติจะดีเสียกว่าการพยายามยัดเยียดหนังสือธรรมะหรือการขยันขยอชักชวนไปทำบุญในที่ที่พวกเขาไม่เต็มใจหลายสิบหลายร้อยเท่าวันที่หถึงสเมตตาขยายผลการเสพเมตตานานา น, านั้นเหมือนจิตได้ดื่มกินน้ำเย็นรสหวานน่าติดใจเมตตาเป็นสิ่งที่หาได้ยากในผู้คนยุคเรา และเมตตาก็เป็นสิ่งที่ก่อตัวขึ้นได้ยากในเราเองเมื่อขาดแคลนบุคคลที่น่าเมตตาแต่สำหรับนักภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสติตามรอยบาทพระศาสดาเมตตาเป็นธรรมะไม่จำกัดการไม่จำเป็นต้องรอเจอบุคคลที่ควรมีเมตตาให้เสียก่อนแต่ฝึกรินเมตตาได้เลยผ่านน้ำคำและน้ำใจกระทั่งแก่กล้าพอจะขยบขึ้นถึงขั้นแผ่เมตตาไม่มีประมาณ ใครว่าเอาคนในโลกมาเป็นอุปกรณ์ภาวนาไม่ได้อย่างน้อยก็กําหนดให้เป็นเป้ายิงเมตตาได้อย่างหนึ่งละคนเราต้องเจอเรื่องกระทบใจจากผู้คนรอบข้างเสมอและเมื่อถูกกระทบย่อมเกิดปฏิกริยาทางจิตปฏิกริยาทางจิตนั่นเองคือสิ่งที่เราต้องสังเกตว่าเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายหากเป็นไปในทางดีก็คือคล้อยตามกระแสะเมตตาหากเป็นไปในทางร้าย ก็คือคล้อยตามกระแสะพยาบาทสองกระแสะนี้เป็นคู่ปรับกันหากคล้อยตามกระแสใดมากจิตของเราก็จะเข้าฝ่ายนั้นช่วงหลายวันนี้ฉันพิจารณาตัวเองถ้าเหตุการณ์ปกติไม่มีเรื่องกระทบใจจิตก็เหมือนฝ่ายใจในความสงบเย็นดีพูดจากับใครก็ด้วยกังวลเมตตาที่ตั้งต้นออกมาจากแก่นแท้ของจิตใจแต่อย่าได้มีใครมาจี้ให้เต้นก็แล้วกัน ฉันยังทำหน้าตึงถลึงตาหรือกระทั่งเผลตะวาดเสียงเขียวได้อยู่โดยเฉพาะกับคนไม่รู้จักตามถนนรนแคมหรือร้านรวงในตลาดบางทีโดนพูดแย่ๆมายังชินนิสัยวางก้ามคู่แบบเก่าๆด้วยซ้ำตระหนักตามจริงว่าตนเองยังเป็นผู้ที่มีความโกรธอยู่เหนือสติมีความผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอยู่เหนือกาลังในการให้อภัยจึงเห็นว่า ยังอยู่ในขั้นที่จำเป็นต้องฝึกให้จิตมีปฏิกริยาคล้อยไปตามกระแสเมตตาเสียก่อนมิฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องกระทบใจแล้วมักโกรธและหมกมุ่นครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้ขุนเคืองไปนานไม่อาจสงบลงได้สภาพเช่นนี้ไม่เกื้อกูลต่อการพิจารณาความโกรธโดยความเป็นอนิจจังแน่นอนข้อปฏิบัติเพื่อดับโกรธละพยาบาท ที่ชาวพุทธรู้จักกันดีคือการแผ่เมตตาแต่แผ่เมตตาทําอย่างไรล่ะมีอุบายหลายต่อหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นง่ายที่สุดคุ้นที่สุดเห็นจะไม่มีอะไรเกินการท่องบนภาวนาว่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยแต่เท่าที่ฉันเห็นด้วยตาเปล่านั้นบางคนภาวนาอยู่เกือบสิบปี ยังหน้าตาเฮี้มเกรียมอยู่เหมือนเดิมเกิดเรื่องเกิดราวแล้วยังบงเบงได้เท่าคนมีโทสะแรงทั้งหลายอยู่ดีฉะนั้นเพียงการสวดด้วยปากหากขาดใจจริงอยู่เบื้องหลังก็คงไม่ต่างกับนกแก้วนกขุนทองถูกสอนให้ท่องอะไรที่มันไม่มีวันรู้ความหมายไปจนตายว่ากันถึงวิธีการแผ่เมตตาของพระพุทธเจ้านั้นฉันตรวจดูในพระไตรปิฎกไม่พบขั้นตอนตรงๆ มีแต่อุบายทางอ้อมในเชิงที่จะทำให้เข้าใจลักษณะจิตขณะแผ่เมตตาเช่นในเตวิชสูตรท่านให้นึกถึงความปราโมดความมีโสมนัสของคนเพิ่งฟื้นไข้ที่ได้กำลังวังชากลับคืนมาแล้วให้เทียบเคียงว่าพยาบาทเปรียบเหมือนโรคเมื่อละพยาบาทเสียได้ก็เหมือนหายจากโรคมีแต่ความปลอดโปร่งโล่งสบายทางใจ โสมนัสที่เกิดขึ้นหลังจากละพยาบาทได้นั่นเองปรุงจิตให้พร้อมแผ่เมตตาออกไปโดยไม่มีประมาณหากพิจารณาให้ง่ายเข้าก็อาจกล่าวว่าจิตขณะตั้งต้นนั้นถ้าเป็นอภัยถ้ามีความสละการเพ่งโทษถ้าทำให้เลื่อมใสในการไม่ผูกโกรธจองเวรแล้วย่อมบังเกิดความโสมนัสดุดคนเพ่งฟื้นไข้อาศัยโสมนัสระดับนั่นเองเพื่อแผ่ออกไปอย่างไม่จากัด ด้วยจิตอันเปิดเผยเต็มที่ค่ำคืนในช่วงระหว่างนี้ฉันอุทิศเวลาทดลองแผ่เมตตาตามความเข้าใจของตัวเองขึ้นต้นมาคืนนึกถึงศัตรูและปลงใจให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อแลกกับความโล่งหัวอกและสมนัสเหมือนคนป่วยเพิ่งฟื้นไข้แล้วก็พบกับตนเองว่าสมนัสในวินาทีที่ปลงใจได้นั้นมีความแรงพอจริง คือปรุงจิตให้เป็นลักษณะเปิดเผยไม่หมกมุ่นคลุ่นคิดคับแคบคล้ายสมาธิอ่อนๆแต่ปลอดโปร่งกว่ากันเพราะสร้นกระแสะเมตตากว้างขวางออกมาจากหัวใจจากนั้นเพียงหลับตาและคล้ายมองผ่านเปลือกตาออกไปดูเวงฟ้าด้วยความผ่อนคลายประคองโสมนัสอันเกิดจากอภยทานก็กลายเป็นกระแสะทางใจของจริงที่ปรารถนาความไม่เบียดเบียน ปรารถนาความไม่มีเวรปรารถนาความสุขโสมนัสในใจเราจงแผ่เข้าไปถึงหัวใจสรรพชีพทั่วสากลจักรวาลธรรมชาติของโสมนัสย่อมเลี้ยงจิตให้พึงใจอยู่ในสภาพความเป็นเช่นนั้นได้นานฉันไม่พยายามกำหนดให้เกิดอะไรขึ้นมากไปกว่ามีสติรู้โสมนัสอันตั้งต้นที่ใจซึ่งถ้าปลอดโปร่งโล่งตลอดปราศจากความเพ่งบังคับแล้ว ย่อมมีลักษณะกว้างเหมือนฟองอากาศใสที่เริ่มกินบริเวณรอบตัวในเขตจำกัดหนึ่งก่อนหากมีวิริยะประคองให้ต่อเนื่องเพียงครู่หนึ่งก็จะค่อยค่อยขยายวงออกไปเรื่อยๆเป็นที่รู้สึกได้ด้วยตนเองเมื่อกระแสสมนัตอ่อนตัวลงฉันก็ไม่พยายามบังคับเหนี่ยวรั้งให้ยั่งยืนเมื่อรู้สึกดันๆออกไปแบบที่ทาให้ตึงขมับหรือเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกาย ฉันก็รีบรู้ให้ทันว่าเนั่นเริ่มมีอาการเพ่งมากเกินเสแล้วฉันสังเกตว่าที่ถูกต้องมีสติรู้ตั้งมั่นอยู่ตรงกลางๆคล้ายเรานั่งมองผนังมองฝ้าเพดานมองนกมองไม้อย่างปราศจากความคาดหวังไร้ความคิดไร้เจตจำนงอื่นใดนอกจากปรารถนาให้สุขภายในฉายออกไปสู่ภายนอกด้วยลักษณะสบายที่สุดเป็นการแผ่เมตตาเอาสุขให้ตนเองก่อน แล้วจึงเผื่อแผ่ไปภายนอกไม่ใช่ยิ่งแผ่เมตตาตัวเองยิ่งเครียดยิ่งขาดสติฉันลองแผ่เมตตาทั้งก่อนและหลังทาสมาธิรู้ลมหายใจพบว่าแผ่เมตตาภายหลังทาสมาธิจะดีกว่าเพราะจิตมีกำลังมีความตั้งมั่นบ้างต่างจากก่อนทาสมาธิที่อาจกำลังเมอมนิดฟุ้งหน่อยยังอยู่ในสภาพไม่ค่อยเต็มใจแผ่เมตตาให้ใครได้ ฝึกอยู่เกือบอาทิตย์ทุกครั้งหลังนั่งสมาธิกระทั่งล่าสุดเกิดปรากฏการขึ้นมาอย่างหนึ่งคือหลังจากเพียรประคองกระแสโสมนัสในจิตที่แผกกว้างออกไปเบื้องหน้าก็ตกภวังวูบคล้ายคนจมน้ำโดยไม่รู้สึกตัวแล้วกลับทะลึ่งพรวดขึ้นเหนือผิวน้ำใหม่รับรู้ถึงอากาศเหนือน้ำที่สดชื่นและโปร่งว่างผิดปกติเหมือนมีรอยยิ้มผนึกแน่นอยู่กับดวงจิตที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อน สำเนีกรู้ถึงรัศมีเมตตาที่ฉายกว้างไกลกว่าทุกครั้งกับทั้งไม่ต้องเพียรกำหนดประคองก็แน่วนิ่งไม่ลดไม่เพิ่มอยู่พักใหญ่กว่าที่จะอ่อนกําลังลงจึงเห็นถนัดว่าถ้าจิตรวมลงเป็นดวงขณะแผ่เมตตากระแสเมตตามีอ่อนกําลังได้และกําหนดเร่งให้แรงขึ้นก็ได้แต่ด้วยความไม่ชํานาญ ประกอบกับที่กําลังยังไม่เหลือเฟือเยี่ยงผู้มีชั่วโมงบินสูงจิตจึงลดระดับความนิ่งตั้งมั่นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีทั้งที่ยังเสพทิพยสุขไม่อิ่มหนาอยู่นั่นเองระดับนั้นฉันแผ่เมตตาได้วิดวิดหรือน้องๆเมตตาอับปามัญญากระมังชื่ออันไพเราะเพราะพริ้งนั้นหมายถึงการแผ่เมตตาได้ถึงระดับอ น, นันต์ไม่จํากัดทิศไม่จํากัดระยะ แต่ฉันยังรู้สึกถึงระยะอยู่แล้วก็มีทิศเดียวเบื้องหน้าเท่านั้นยังไม่รู้จักสภาพไร้ขอบเขตกับเขาถึงกระนั้นฉันก็เห็นความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างการฝึกแผ่เมตตากับนิสัยใจคอที่เปลี่ยนไปได้ตระหนักว่าข้อปฏิบัติแต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะให้ทาหรือขยันขยอให้ทานั้นไม่ใช่ส่งผลแคบแคบแ ค, บแค่จุดหนึ่งจุดเดียวเช่นการแผ่เมตตานี้ หาได้มีเพียงเมตตาจิตไว้เอาชนะขะคารพยาบาทจิตเป็นเป้าใหญ่เท่านั้นแต่ยังยกระดับน้ำใจคิดเผื่อแผ่โดยตรงเพราะเสพจิตที่มีลักษณะเผื่อแผ่ยิ่งใหญ่ไพศาลมาแล้วเมื่อจะทําทานเป็นทรัพย์ทําทานเป็นอภัยก็ยอมเห็นว่าน้ําจิตระดับนั้นถ้ายังมีเสียดายยังมีห่วงยังมีวัตถุประสงค์แอบแฝงก็จะไม่เกิดความชุ่มชื่นเต็มอิ่มได้เลย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 ให้อภัยไม่ถือสาในเรื่องจุกจิกเล็กน้อยไม่ใช่เจอหน้าแล้วเห็นเป็นเป้เปาที่ต้องเอาชนะคะคานกันท่าเดียวทั้งทางตรงทางอ้อมเหมือนแต่ก่อนเขาจะคิดอย่างไรได้รับผลดีแค่ไหนฉันไม่แน่ใจรู้อย่างเดียวว่าใจฉันเองมีความสุขมากขึ้นเมื่อจำเป็นต้องทำงานกับเขาธรรมชาติมีสีสันแปลกประหลาดพิสดารดี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 ขับรถยาวแดวาก็ยังต้องก้มหัวขอบคุณเมื่อฉันเปิดทางให้เข้าไปก่อนแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าดีๆที่มีระดับจิตเหนือฉันก็ยังเรียกว่าเป็นทักคินายบุคคลคือบุคคลที่ควรรับของถวายหากฉันไม่เอาอะไรไปถวายพวกท่านก็ไม่อาจดำรงชีพเพื่อสืบทอดพระศัตยธรรมไม่อาจมีกำลังวังชาทากิจอันสมควรแก่พระศาสนาได้เลย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 และนึกถึงการกระทำของเขาที่ผ่านมารู้สึกว่าทำชั่วๆกับชั้นไว้ไม่น้อยเป็นต้นว่าแกล้งบิดเบือนข้อมูลดีๆของชั้นให้ดูแย่ติเตียนไอเดียของชั้นทั้งที่ใจเขาเองก็ยอมรับว่าไม่เลวหรือกระทั่งเล่นขนาดแทงข้างหลังเอาความผิดเล็กๆน้อยๆของชั้นไปโผลนนาซึ่งหลายครั้งเข้าก็รวมกันเป็นความผิดก้อนมหมาในสายตาผู้ใหญ่ได้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 ก็ต้องนึกแต่ภาพเขาแยกเคี้ยวยิงฟันตลอดสกหรือเป็นบุคคลไร้เหตุผลจนน่าขยะขยแยงเข้าไส้ข้อเท็จจริงคือเขายังมีสำนึกผิดชอบชั่วดีในระดับเฉลี่ยบางสถานการณ์ก็ประพฤติตนน่าสรรเสริญอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ลงมาอยู่ในบันทึกก็เพราะเหตุผลเดียวคือเขาเป็นศัตรูอีกอย่างฉันเหมือนคนโง่ที่กลับลำคิดใหม่ได้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 ความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองความคิดดูถูกตัวเองที่เคยมีมาก่อนปีใหม่ย้อนกลับมาเล่นงานครบทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโลภอยากได้มรรคผลไม่รู้เป็นอย่างไรคราวนี้ยิ่งอยากได้กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเลยทีเดียวอาจเป็นเพราะตระหนักแล้วกระมังว่าจิตใจเป็นของมีวันขึ้นวันลงและตราบใดที่ยังไม่ถึงฝังตราบนั้นยังอาจจมน้าป๋อมแปม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 คือรู้อย่างถาวรไม่กลับไม่เปลี่ยนว่ากายใจนี้ตลอดจนสิ่งอื่นทั่วสากลโลกเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนแม้เศษเนื้อเท่ากระแบะมือหรือกระแสสุขล้นฟ้าหรือกระทั่งการมีจิตไว้รู้เห็นอะไรไห น, ไหนกายเวทนาจิตธรรมหาใช่สิ่งที่เราอาจวางเพื่งพิงถาวร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 อริยบุคคลผู้ประเสริฐรองลงมาจากพระอรหันต์ได้แก่พระอนาคามีอริยบุคคลชั้นนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยได้ยินหรือถึงแม่รู้จักและได้ยินก็ไม่เข้าใจว่าแตกต่างจากพระอรหันต์อย่างไรความแตกต่างระหว่างสองชั้นนี้พระพุทธองค์มกตรัสไว้คือพระอนาคามียังเหลืออุปาทานยังมีมานะว่านี่ตัวเราเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้น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 อริยบุคคลผู้ประเสริฐรองลงมาจากพระอนาคามีได้แก่พระสกทาคามีอริยะบุคคลชั้นนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยได้ยินหรือถึงแม้รู้จักและได้ยินก็ไม่เข้าใจว่าแตกต่างจากพระอนาคามีอย่างไรอีกทั้งพระพุทธเจ้าท่านตรัสรายละเอียดเกี่ยวกับพระสกทาคามีไว้น้อยพระสกทาคามียังมีราคะโทสะโมหะแต่ก็เบาบางลงกว่าปุถุชนมากแล้ว เนื่องจากจิตไม่เสพอารมณ์หยาบเต็มกำลังแม้มีราคาระดับให้กำเนิดบุตรทด่าได้ก็ไม่ติดใจแม้มีโทสะระดับร้อนจิตร้อนกายได้ก็วูบเดียวเหมือนไฟไม่ฟางและแม้มีโมหะสำคัญมั่นหมายถือเขาถือเราได้ก็ไม่ใช่ขนาดหลงตัวหลงตนแบบหน้ามืดตามัวพูดให้ง่ายคือราคาโทสะโมหะเบาบาง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 อีกทั้งเป็นผู้เห็นนิพพานหรือผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงอยู่ในฐานะผู้เข้ากระแสเป็นผู้เที่ยงที่จะได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในการข้างหน้ามรรคผลมีสี่ระดับบรรลุมรรคผลครั้งแรกเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเป็นพระสกทาคามีครั้งที่สามเป็นพระอนาคามีและครั้งสุดท้ายเป็นพระอรหรันต์ สำหรับความเป็นอรหันต์มักไม่เป็นที่คาดหวังเพราะยังไกลเกินเอื้อมอยู่สำหรับผู้เริ่มเดินทางจริงจังแค่สองเดือนอย่างฉันแต่พระโสดาบันนี่สิอย่างน้อยถ้าได้เป็นก็เรียกว่าประเสริฐกว่าราชามหาจักรพัทผู้มีอำนาจครองโลกเสียอีกเพราะพระราชายังถูกปล้นสมบัติได้ถูกแย่งอำนาจได้หรือกระทั่งถูกเนรเทศเข้าป่าเข้าเถื่อนได้แต่บุคคลเมื่อได้เป็นโซดาบันแล้ว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 ก่อนอื่นต้องสงบจากความอยากเป็นอันดับแรกลงนั่งทำสมาธิเห็นลมหายใจของฉันกลัวไปด้วยความเร่งร้อนอยากสงบนี่คือการย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่อีกครั้งคนที่จะนับหนึ่งใหม่ต้องทำอย่างไรหนาเป็นนานกว่าจะนึกได้ก็ยอมรับว่าสภาพเด่นที่สุดในปัจจุบันคือความเร่งร้อนนะสิการยอมรับตามจริงเป็นอาการง่ายๆของจิตที่มักถูกลืมแต่เมื่อไหร่นึกออก ก็จะใช้การได้ทันทีเป็นของทันสมัยอยู่เสมอชั่วกับชั่วกันเมื่อยอมรับว่าแต่ละลมหายใจแฝงปนอยู่ด้วยความเร่งร้อนอยากสงบก็เกิดอาการตามรู้ตามดูความเร่งร้อนในแต่ละลมหายใจเข้าออกรู้เรื่อยๆกระทั่งความร้อนแสดงความไม่เที่ยงออกมาจนได้ลมหายใจเข้ามีจิตนิ่งสงบลมหายใจออกเหลือแค่อุณหภูมิในกายตามปกติกายใจไม่กัดแกง ทรงอยู่แต่สติรู้ว่าลมผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกนับให้เข้าข่ายเป็นองค์ที่หนึ่งของพชอชองได้แล้วกำลังสติแบบเก่าผุดขึ้นสะท้อนด้วยสภาพรู้ชัดตรงตามจริงว่าขณะนี้กาลังหายใจเข้าหรือหายใจออกแสดงว่าสติไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่หลบในเพราะถูกความเศร้าและความฟุ้งซ่านหมกซ่อนไว้เท่านั้นฉันค่อยกำลังใจดีขึ้น และพิจารณาทันทีณขณะแห่งความรู้ชัดว่าลมหายใจเข้าจนสุดแล้วต้องคายคืนกลับออกสู่ความว่างภายนอกเป็นธรรมดาคายคืนได้เดียวเดียวก็ต้องดึงลมเข้าไปหล่อเลี้ยงให้กายดำรงสภาพอยู่ได้อีกและอีกธรรมชาติเกิดดับนั้นปรากฏตลอดเวลาต่อเมื่อจิตเข้ามาพิจารณาจึงรู้เห็นและกลายเป็นองค์ที่สองของโพ่อชงคือธรรมวิจัยไปเมื่อประคองความเห็นลมเกิดดับ จนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นวิรยะอันเป็นองค์ที่สามของโพ่อชงนานระยะหนึ่งก็บังเกิดความเบิกบานอันเป็นองค์ที่สของโพ่อชงยังผลต่อเนื่องให้กายใจก็สงบประณีตอ่อนสลวยอันเป็นองค์ที่ห้าของโพ่อชงฉันมีสุขล้ำลึกเสียแต่ยังเห็นจิตกระเพื่อมง่ายมีหมอกมัวฝ้า ฟ, า, ฟางมาห่อหุ้มเร็วอยู่จึงยังไม่ถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิบริบูรณ์อันเป็นองค์ที่6ของพ่อชง นั่งสมาธิจนล้าก็ลุกขึ้นเดินจงกรมฉันสังเกตว่าแม้จิตสงบลงแล้วสติถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพแล้วแต่ความอยากได้มรรคผลก็ยังตามรบกวนจิตใจอยู่ทุกฝีก้าวคล้ายแมงมุมเกาะติดและถักทอใยบางทว่านเหนียวแน่นขึงกั้นไม่ให้ความอยากหนี้หายไปไหนรอดถ้าเป็นได้เดินก้าวนี้ฉันอยากให้มรรคผลบังเกิดซะเลยทีเดียว แม้ตัดใจละความอยากหรือยอมให้ความอยากเกิดเพื่อดูอนิจจังมันก็แปรปรวนไปเพียงชั่วครู่แล้วกลับผุดกลับโผล่ขึ้นใหม่อีกเฝ้าถามตนเองเกือบทุกสิบนาทีว่าถ้าเดี๋ยวนี้ทำไม่สำเร็จแล้วเมื่อไรเราจะบรรลุธรรมกับเขาบ้างอยากรู้อยากหาหมอดูมาทำนายให้หายสงสัยกันไปเลยว่าอย่างนี้แย่เลยเจริญสติก็เพราะหวังหลุดพ้นอยากได้มรรคผลกับเขาบ้าง แต่ตัวหวังตัวอยากนั่นเองก็กลายเป็นเครื่องขวางไปเสียอีกช่างไม่เหมือนวิชาหรือการงานทางโลกที่อนุญาตให้ส่งแรงอยากทุ่มเทกายใจให้ไปถึงความสาเร็จยิ่งอยากมากทุ่มมากก็ยิ่งใกล้เคียงความจริงมากแต่มรรคผลนี่เป็นตรงข้ามเลยยิ่งอยากเท่าไหร่ยิ่งกลับทิศเท่านั้นเพิ่งสังเกตตัวเองว่าอันที่จริงฉันอยากได้มรรคผลมาตลอดเป็นการอยากได้ของดีเพื่อตัวฉัน ซึ่งเริ่มแรกนับเป็นสิ่งที่ถูกต้องคนเราหากไม่อยากได้ไม่อยากดีแล้วจะเพียรเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็ฉุกคิดเหมือนได้ทบทวนใหม่หมดเพิ่งเห็นชัดอีกรอบว่าการถึงมักผลคือการละอัตตาให้ขาดแต่เมื่อมีความเพียรพยายามเอามักผลเพื่อชั้นซะแล้วก็เป็นอันจบกันขัดแย้งเป็นงูกินหางตั้งแต่เริ่มสรุปคือฉันกาลังอยากละอัตตา แต่กําลังทุกข์หนักเพื่ออัตตาเพราะไม่สามารถละอัตตาได้เมื่อได้ข้อสรุปดังกล่าวฉันจึงรู้ตัวแล้วว่ากําลังยืนอยู่ผิดจุดฉันกําลังยืนอยู่ฝั่งเดียวกับอัตตาเข้าข้างอัตตาและทําทุกอย่างไปเพื่ออัตตาคิดเท่านี้ก็ดูทุกขเวทนาตามสภาพที่มันกําลังปรากฏได้ง่ายขึ้นหันมาทบทวนว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ทาอย่างไรเวลาเป็นทุกข์เพราะอยากได้มรรคผล ทีแรกคิดไม่ออกแต่พอนึกถึงการพิจารณาในหมวดเวทนาก็ลืมตาโพลงท่านให้รู้เท่าทันว่ากำลังเสวยทุกข์ชนิดมีหรือไม่มีเหยื่อล่อแบบโลกโลกรวมทั้งเปรียบเทียบได้ว่าทุกแบบไหนหยาบหรือประณีตกว่ากันทุกขเวทนาแบบที่ฉันกำลังประสบเป็นทุก์แบบไม่มีเหยื่อล่อทั้งโลกมาข้องเกี่ยวแต่มีความอยากหลุดพ้นจากบ่วงกิเลสมาเป็นเครื่องล่อให้ทุกข ฉันพบด้วยความพิสวงน์ว่าทุกประเภทนี้อาจตั้งอยู่ในจิตที่ไม่กำหนัดยินดีไม่มีความพยาบามใดๆทุกชนิดนี้จึงควรจัดให้เป็นทุกขั้นละเอียดตามระดับจิตธรรมชาติช่างวิจิตพิสดารเสียจริงและฉันก็พบความจริงอีกประการหนึ่งคือสำหรับมือใหม่นั้นการได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่ากาลังอยู่ตรงไหนภาวะที่กาลังปรากฏเด่นเรียกว่าอะไร จะคลายความสงสัยคาใจได้อย่างดีหากคิดเพียงมุ่งเจริญสติรู้เท่าทันสภาพเกิดดับอย่างเดียวบางทีก็อาจเลี้ยงตัวสงสัยปล่อยให้เกิดความคาใจขัดขวางความก้าวหน้าไม่สิ้นสุดในสลา ย, ยตนณวิพังคสูตรพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดว่าการเสวยทุกข์ชนิดมีเหยื่อล่อแบบโลกโลกคืออยากเสพผัสสะอันเจือด้วยกิเลสอันใดแล้วไม่ได้เสพอย่างใจนึก ก็อาจเป็นเหตุให้เกิดโทมานต์ได้ส่วนผู้เจริญสติปัฏฐานจนเห็นความเกิดดับแล้วย่อมปรารถนาความหลุดพ้นเมื่ออยากหลุดพ้นแต่ยังหลุดพ้นไม่ได้ย่อมถามตัวเองว่าเมื่อใดจะหลุดเล่าเช่นนี้เองพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นโทมานต์อันเกิดแต่การสแสวงทางหลุดจากบ่วงกามสิ่งที่พระองค์แนะนําคือให้ใช้อุเบกขาเป็นเครื่องอิงอาศัยก่อนก็อุเบกขา เช่นลมหายใจเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดานั่นแหละคือเครื่องอิงอาศัยของใจกระทําใจให้ปลีกตัวออกมาเสีย จ, จากความอยากได้มรรคผลฉันลองนั่งกําหนดรู้ลมโดยความเป็นของเกิดดับกระทั่งใจว่างจากทุกแล้วอาศัยอุเบกขาในความเห็นลมหายใจเกิดดับแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมใหม่ปล่อยให้ความอยากได้มรรคผลเกิดขึ้นตามธรรมชาติในเวลาต่อมาก็เห็นความทุกข์อย่างชัดเจน คือมีสภาพอึดอัดคาอกเล็กน้อยแต่ปักหลักยืดเยื้อเหมือนกลุ่มผู้ประท้วงที่มีการศึกษาไม่พล่ามหยาบคายแต่ก็เหนียวแน่นในการตื้อไม่เลิกเมื่อเห็นเป็นเพียงทุกข์ชนิดหนึ่งแม้เป็นความทุกขระดับประณีตก็ไม่แย่แสไม่หลงตามมันอีกต่อไปแค่เห็นเป็นอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจแล้วดับลงในท่ามกลางสติรู้ด้วยความว่างจากอาการยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง จุดใหญ่ใจความคือมีสติรู้ทุกขเวทนาในปัจจุบันขณะนั่นเองทุกที่ละเอียดต้องการสติที่ละเอียดสมน้ำสมเนื้อกันที่ตอนแรกฉันรู้ว่ากำลังทุกข์เพราะอยากได้มรรคผลแต่ไม่เห็นความดับไปของทุกข์ก็เพราะยังไม่ใช่สติเห็นทุกข์จังๆแต่เป็นสติแบบครึ่งคร่งกลางๆเท่านั้นต่อเมื่อรับทราบว่านั่นเป็นทุกข์อย่างประนีตเพราะเปรียบเทียบกับทุกข์อย่างหยาบสติที่ผนวกกับความเข้าใจ จึงมาจับรู้ทุกได้เต็มสภาพแท้จริงเห็นชัดว่านั่นก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างใดเช่นเดียวกับทุกข์ชนิดอื่นๆ น, นั่นเองวันที่22ความต่างระหว่างปิติกับสุขพอกลับมาตั้งหลักได้ใหม่ฉันก็ยินดีปรีดาตื่นเช้าด้วยความเป็นสุขสดชื่นเหมือนเดิมทําใจว่าจะยอมรับศัตรูเก่าเป็นเจ้านาย ทำใจว่าถ้าอยากได้มรรคผลอีกจะกำหนดรู้โดยความเป็นทุกข์อันเกิดจากความอยากชนิดหนึ่งขับรถไปทำงานเช้านั้นขณะจอดรถรอไฟเขียวฉันรู้สึกว่ารถขยกหน่อยๆพอเลี้ยวหลังไปก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเดาได้ทันทีว่าหมอ น, นั่นคงวิ่งเอื่อยๆมาแล้วเมอเบรกไม่ทันเอาล้อเสยกันชนหลังรถฉันเข้าแล้วฉันรีบลงมาดูว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า เห็นว่ากันชนยุบไปเล็กน้อยเท่านั้นแทบมองไม่เห็นเลยขี้เกียจเรียกประกันยิ้มแย้มบอกคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ลงมายืนหน้าเจียมเจียมว่าไม่เป็นไรจะนึกว่าฟาดเคราะห์รับอรุณมอเตอร์ไซค์ยินดีนักหนารีบกระเถิบหนีไปทันทีก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจฉันกลับขึ้นรถอย่างมีปิติเช่นกันปรีดาปราโมทที่ใจไม่เอาเรื่องร า, าวกับใครเมื่อครูไม่มีซักวินาทีที่ขุนเคือง ไม่มีสักวินาทีที่อยากเรียกเงินทองจากใครเพื่อมาแก้กันชนท้ายบุบเล็กๆน้อยๆ อ, อุทานในใจว่าเรามีหลังคามงบังไว้ดีแล้วหนอฝนตกรั่วรถไม่ได้แล้วหนอเหมือนเช่นที่พระเถระและพระเถรีในครั้งพุทธการมักอุทานกันเมื่อตรหนักว่าตาหูจมูกปาก กายใจของพวกท่านมีสติคุ้มครองแน่นหนาแล้วเป็นผู้มีใจอันไม่ชุ่มด้วยกิเลสแล้วได้รับความคุ้มกันจากสติดีแล้วปลอดภัยแล้วจากความยินดียินร้ายในโลกแช่มชื่นอยู่ทั้งวันกับความดีใจว่าตัวเองคงมีเมตตาตั้งมั่นแล้วเมื่อกลับมาเจริญสติใหม่รอบนี้หลังจากสมเศร้าเสียเวลาเปล่ามากว่าอาทิตย์ความรู้สึกที่บอกตัวเองนั้นเข้าขั้นเชื่อมั่นเลยทีเดียว ว่าต่อไปคงไม่มีความโกรธใดๆมาแพ่พานจิตใจได้อีกขนาดศัตรูยังกลายเป็นมิตรขนาดคนทํารถบุบยังยิ้มร่าบอกว่าไม่เป็นไรอวยพรในใจเสอีกว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขตกเย็นนั้นฉันจอดรถแวะหน้าหมู่บ้านเพราะเกิดอยากกินหมูปิ้งข้าวเหนียวขึ้นมาเฉยๆความจริงฉันไม่ได้เป็นลูกค้าประจําของใครเป็นพิเศษเนื่องจากมีรถเข็นหมูปิ้งหลายเจ้าแต่ละเจ้าก็อร่อยไปคนละแบบ อย่างวันนี้ที่อยากกินขึ้นมาเพราะนึกถึงหมูนุ่มๆชิ้นโตๆของเจ้าหนึ่งซึ่งเคยซื้อมาหนเดียวก็ตรงรีเข้าไปที่เจ้านั้นและสั่งเขา60บาทเขาจับหมูมาย่างบนเตาโดยมีเมียช่วยหยิบเพราะที่ปิ้งวางอยู่พร้อมแล้วมีไม่พอจำนวนตามสั่งของฉันฉันขี้เกียจรอเลยทิ้งแบงค์20ไว้สาใบพอดีจานวนบอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาของแล้วเดินไปสั่งขนมซึ่งอยู่ถัดไปประมาณ19 ขนมมีวางอยู่แล้วแค่สั่งแล้วจ่ายสตางค์ก็รับถุงมาได้เลยใช้เวลาเดินไปเดินกลับแค่สองนาทีซึ่งพอกลับมาก็เห็นหมูย่างเสร็จใส่ถุงรอฉันเรียบร้อยฉันคว้าถุงแล้วหันจะเดินตัวปลิวแต่ถูกเรียกไว้และร้องดังๆว่าฉันยังไม่ได้จ่ายเงินที่แรกนึกว่าเขาเข้าใจผิดและยังไม่เห็นแบงค์ที่ฉันวางไว้ฉันพูดดีๆว่าจ่ายเรียบร้อยเขาก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งว่ายัง และถามว่าจ่ายแล้วอยู่ไหนล่ะเยเมียที่ยืนปิ้งหมูอยู่ข้างๆก็ปล่อยส่งเสียงสนับสนุนว่ายังไม่เห็นมีเลยยืนหัวโดเป็นพยานอยู่ตรงนี้พอฉันก้มมองที่พื้นโตะก็ไม่ปรากฏแบงค์เขียวเสีแล้วเหลือบขึ้นมองเห็นหน้าเจ้าเล่และยิ้มเกรีย ม, ยมของคนขายหมูปิ้งก็เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรวูบหนึ่งคันๆ ข, ขึ้นมาในอกแต่อีกวูบหนึ่งก็คิดอโศก อยากได้เงินก็เอาไปฉันเอาโหสีให้ถูกฉีกหน้ากลางตลาดไม่ค่อยอายนักต่างจากสมัยก่อนมากฉันคงหน้าม้านและเอาคืนแต่สติของฉันยังตั้งมั่นในเมตตาและอุเบกขาเลยยอมยอมเขาหยิบเงินจ่ายเพิ่มสรุปคือเสีย120แต่ได้ของ60ดินกกงก่อนเข้าบ้านก็สบายใจไปอีกแบบพอขึ้นรถอาการคันๆอกหวนกลับมาอีก ฉันมองไปข้างหน้ามือกุ่มกุญแจเตรียมบิดสตาร์ทแต่รู้สึกหนืดไปทั้งตัวชอบกลย้อนคิดถึงยิ้มกลิ่มมและเสียงเออะแบบอันพานจะโพรธนาให้คนทั้งตลาดรู้ว่าฉันจะโกงเงินทั้งที่ถ้าลืมจ่ายก็พูดกันดีๆได้แล้วเกิดอาการแค้นแน่นอกจนหน้าเขียวเข็นเคียเค้ยวเคี้ยวฝันร่ำจะเปิดประตูย้อนลองไปฉะกับมันซะหน่อยหน่อยแน่ไม่นึกว่ามีพวกหน้าด้านหน้าทนขายของอยู่แถวนี้ด้วย แกลงลงไปขู่จะเอาตำรวจมาลากคอเข้าคุกเสียดีไหมเรื่องเบ่ง เ, เกทัพนี่ฉันก็เคยเป็นหนึ่งเหมือนกันพยายามมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกรู้ตัวว่านั่นเป็นความคิดแต่คงไม่เอาจริงเห็นความโกรธที่พุ่งเอาพุ่งเอาแต่ขณะเดียวกันก็ยังรู้สึกสงบใจอยู่ที่ผิวนอกคล้ายน้ำพุร้อนที่ฉีดขึ้นมาจากกลุ่มน้ําเย็นดูขัดขัดแปลกแปลก แ, แต่สติตั้งมั่นรู้ เหมือนมีชั้นอีกคนเฝ้าดูอยู่เบื้องหลังต่างหากไม่เกี่ยวกับทั้งความเย็นและความร้อนเหล่านั้นฉันปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งไปโดยไม่ปิดกัน้นเห็นความร้อนในอิริยบทนั่งซึ่งก็คือรูปหนึ่งของทุกข์อิริยบทก็เป็นทุก์ชนิดหนึ่งอยู่แล้วยังมีความร้อนซ้อนอยู่ข้างในอีกฉันดูด้วยความนิ่งกายนิ่งใจกระทั่งเห็นตามจริงว่าในหัวยังมีพ่อค้าหมูปิ้ง ยังไม่ปล่อยพ่อค้าหมูปิ้งไปตามยถากรรมพอระลอกความคิดหนึ่งผุดขึ้นทีก็มีความร้อนและคันขยิกในอกทีแล้วความคิดกับความร้อนความคันก็จางลงเองแต่เดียเด๋ยวๆในหัวก็ผุดใบหน้าจอมขี้โกงขึ้นมาอีกความร้อนความคันก็ถูกลากตามมาอีกเห็นสลับไปสลับมาถ้าจังหวะไหนเผลอแช่หน่อยก็ก่อความคิดอยากกลับลงไปด่าขึ้นอีกแต่ถ้าจังหวะไหนขั้นด้วยสติรู้ลม แล้วกำหนดจิตเป็นอภัยความคิดไร้ายๆก็หายไปเหมือนลบกันอยู่ถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าอภัยจริงๆแล้วแต่พอเคลื่อนลดได้พักหนึ่งก็เอาอีกคิดถึงหน้าด้านๆของเจ้านั่นอีกต้องกำหนดจิตเป็นอภัยอีกแล้วแล้วเล่าๆแต่ไม่ยากเกิดโสมนัสในอกยังฝืนๆ ฝ, ฝุดๆตามเดิมเมตตาเปล่งประกายรัศมีไม่ออกซะแล้วสิถอนใจและยอมรับตามจริง ไม่ใช่แค่ยอมรับว่าฉันโกรธแต่ยอมรับแบบเหมาวรวมทีเดียวว่าเดี๋ยวคงมีความคิดแค้นเคืองพ่อค้าหมูปิ้งตามมาอีกหลายชุดยอมรับตามจริงว่าจิตฉันยังไปไม่ถึงไหนยังทุกพระดนกระทบได้อยู่แล้วจะแปลกอะไรกับการทําใจยอมรับก็แค่ยอมรับว่าต้องดูอีกหลายรอบสติดีหน่อยก็ดูโดยความเป็นอนิจจังสติไม่ดีก็กาหนดให้อภัยเป็นทาน แล้วแผ่เมตตาเสียเท่านั้นในเมื่อยังไม่พ้นทุกจะไปแกล้งหลอกตัวเองว่าพ้นแล้วเพื่อประโยชน์อะไรหน้าที่ตามแบบแผนสติปฐานก็คือดูคือสังเกตจนกว่าจิตจะรู้และฉลาดขึ้นในวันหนึ่งว่าอะไรอะไรล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุเป็นธรรมดาแล้วจะต้องหายลับดับสลายลงเป็นธรรมดาเช่นกันแค่คิดเช่นนั้น ใจก็ให้อภัยพ่อค้าหมูหน้าด้านได้แบบชนิดเปิดโล่งสุดๆโสมนัสแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถึงกับยิ้มกว้างออกมาอย่างปีติที่เมื่อครู่ฉันยังย้อนคิดแล้วแล้วเล่าๆไม่เลิกส่วนหนึ่งก็เพราะไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองยังโกรธได้ยังทุกข์เพราะกระทบได้นั่นเองอาจเปรียบเทียบกับเมื่อเช้าที่หลงนึกสาคัญผิดไปว่าจิตคงตั้งมั่นในเมตตาจะไม่เป็นทุกข์เพราะความผูกโกรธอีกแล้ว ซึ่งแค่ตกเย็นก็พิสูจน์เรียบร้อยว่าความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยฉันยังเป็นหุ่นกระบอกที่กิเลสชักรอกได้ตามอำเภอใจคนเดิมอยู่นั่นเองเหตุการณ์ประจบเหมาะระหว่างเช้ากับเย็นก็ทำให้ได้ข้อสรุปประจำวันเป็นประโยชน์ดีเหมือนกันเมื่อสังเกตเข้าไปอย่างละเอียดในขณะแห่งความปรีดานั้นฉันเริ่มแยกแยะได้หลายสิ่งและตั้งคาถามอันทรงค่าในการปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นคือ สงสัยว่าปิติเป็นธรรมชาติอันเดียวกับความสุขแน่หรือไม่แล้วตอบตัวเองตามเนื้อผ้าจากสภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาว่าปิติปราโมทเป็นความปรุงแต่งส่วนเกินออกมาจากความสุขกับทั้งอาจเป็นของหลอกให้หลงได้ง่ายด้วยเช่นตื่นเต้นดีใจนึกว่าหลังคาบ้านราวมุงบังไว้ดีแล้วกิเลสรั่วรดไม่ได้แล้วปิติที่มีแรงฉีดแรง มักผูกตัวเองมากับความคิดเกินความจริงแรงๆทำให้หลงเข้าใจผิดได้สารพัดแต่ความสุขเนียนๆอย่างมีความวางเฉยมักทำให้ตระหนักตามสภาพที่เป็นจริงเฉพาะหน้าฉันได้ข้อสังเกตเช่นนี้แต่ก็ไม่คิดจะห้ามปิติโสมนัสในครั้งต่อๆไปถ้าอยากเกิดก็ให้มันเกิดแต่จะไม่ฟังไม่เชื่อถือไม่ให้ความสาคัญกับความคิดของตัวเองในวาระนั้นเท่าไหรน่นักค่อยๆรู้ค่อยๆดู ว่าปิติจะแผลงฤทธิ์ผลิตความคิดได้พิสดารสักเพียงใดวันที่2 3มถึง27มองต่างจากชาวโลกวันเสาร์ช่วงบ่ายฉันแอบปลีกวิเวกจากสังคมเร่ร่อนเหมือนนกอิสระไปหาวัดสงบนั่งสมาธิอีกแต่วันอาทิตย์มีนัดกับสมาชิกครอบครัวคือน้องๆ้องของฉันไปดูคอนเสิร์ต ท, ที่มาจากต่างประเทศ ฉันไม่อาจปฏิเสธหน้าที่ของพี่และขณะเดียวกันก็อยากดูดนตรีวงนี้ด้วยเพราะเคยชื่นชอบมากสมัยยังวัยรุ่นขณะที่ขับรถพาน้องมาจากบ้านฉันมีความรู้สึกสองแบบปนๆกันอยู่คือใจหนึ่งอยากเห็นตัวจริงขวัญใจในอดีตอีกใจก็นึกคร้านไม่ค่อยอยากเดินทางไปถึงสถานที่แสดงชอบกนแต่อย่างไรก็เสียเงินเสียทองแล้วต้องไปเสพสุขจากเสียงดนตรีราคาแพงจนได้ ขณะมองไปบนเวทีอันประดับประดาแสงสีตราการตาภายในของฉันว่างโวงและต่อไม่ติดกับภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินเอาเลยจิตคอยหวนมาระลึกอยู่กับลมหายใจว่ากำลังเป็นขาเข้าหรือขาออกรวมทั้งหมั่นสำรวจโดยไม่ตั้งใจเสมอว่าลมหายใจหนึ่งหนึ่งจิตโปร่งสบายหรืออึดอัดขับคล้องฉันรู้สึกร้อนๆ้อนตามเนื้อตัวคล้ายชื้นเหงือ่อ หรือขณะต้องเสนอ ง, งานที่ไม่มีความรู้กล่าวโดยย่นย่อคือความรู้สึกช่วงแรกเหมือนมานั่งทรมานรอเวลาดนตรีเลิกแท้แต่บางเพลงที่ฉันเคยโปรดก็กระตุ้นอารมณ์หวานได้เหมือนกันบางเพลงที่สนุกเร้าใจและทํารูปเพลงใหม่ก็ทําให้สติเคลื่อนออกจากฐานหลงไปกับกลิ่นอายมันๆที่ส่งเปรี้ยงปรางออกมาจากเวทีโดยไม่ต้องบังคับจิตฝืนใจแต่อย่างใด ฉันอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยมากับน้องๆก็ต้องมีอารมณ์ร่วมบ้างหมดค่าตัวไปเป็นพันก็ต้องเสพสุขให้คุ้มค่าบ้างจะมานั่งทําสมาธิให้ผิดบรรยากาศอยู่ได้อย่างไรไม่มีงานเลี้ยงและงานคอนเสิ ร, ร์ตใดไม่เลิกลาในที่สุดฉันกับน้องๆก็ต้องออกจากสเตเดียมกลับขึ้นรถเมื่อเปรียบเทียบกับความปลอดโปร่งโล่งสบายยามทําสมาธิตอนนี้ถือได้ว่าฉันมึนหัวไปหมด หนักอึ้งที่กลางอกจิตใจทึบตือ้อเมื่อพอคลี่คลายออกมาบ้างก็ฟุ้งกระเจิดกระเจิงตกลงชั้นจ่ายเงินแพงๆมานั่งเสียเวลาเป็นชั่วโมงเพื่อปรับจิตให้หยาบลงสุขเวทนาที่อาศัยเหยื่อล่อแบบโลกโลกทำให้จิตหยาบลมหายใจหยาบอย่างเห็นได้ชัดชีวิตคนเราต้องสุขแบบห ย, ยาบหยาบนำหน้ามาก่อนเสมอเคยติดใจเคยสแสวงหา เคยยอมทุ่มเทเงินทองและเวลาให้กับสุขอันอาศัยเครื่องล่อทางกรารมคุณพอมาเจอสุขแบบละเอียดสุขุมจากการเจริญสติเข้าจึงได้ข้อเปรียบเทียบมองย้อนกลับไปเห็นสุขที่ผ่านผ่านมาเป็นแค่น้ำโสโครกติดปลายช้อนที่จิบแล้วสดชื่นชุ่มลิ้นนิดหน่อยแล้วชวนให้ทึกทักว่านั่นคือสุขอย่างมหาะทึกลึกล้าแต่พอเจอสุขของจริงที่ตั้งมั่นนิ่งนานและสะอาดใส ก็จึงค่อยรู้ว่าน้ำหวานเป็นขวดขวดเป็นทั้งถังดื่มกินได้เต็มที่ไม่มีจํากัดเป็นอย่างไรนี่สิถึงเรียกสุขอันโอราณพันลึกของจริงช่วงหลายวันนี้ฉันเริ่มตระหนักและยอมรับว่าตัวเองมองต่างจากชาวโลกรู้สึกผิดแปลกจากชาวโลกนี่คือสิ่งที่ฉันเคยหวาดกลัวกลัวปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่สนุกกลัวว่าจิตใจจะจืดชืด กลายเป็นแกะขาวผู้โดดเดี่ยวในหุบเขาอันอึกทึกครึกโครมด้วยการกรีธาของเหล่าแกะดำและแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆแต่ที่ฉันเคยนึกไว้ว่ามันจะแห้งแล้งโดดเดี่ยวแปลกประหลาดในสายตาคนอื่นกลับเป็นตรงกันข้ามไปหมดฉันเห็นจิตใจผู้คนทั้งเมืองเต็มไปด้วยความทุกข์ความรู้สึกแห้งแล้งความไม่อิ่มไม่พอในการมรมทุกคนดิ้นพลานเป็นบ้าเป็นหลัง สแสวงหาน้ำโสโครกที่มีปริมาณเพียงติดปลายช้อนกันเกือบทั้งนั้นต่อให้มีเงินกี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านที่ภายนอกดูภูมิฐานเหนือคนอื่นแต่ภายในเต็มไปด้วยความหิวโหวยไม่ผิดจากคนยากคนจนสักเท่าใดเลยส่วนโลกของนักปฏิบัติรรมภาวนานั้นเป็นตรงข้ามหากเจริญสติได้ถึงระดับเต็มอิ่มกับการรู้เฉพาะปัจจุบันแล้วจิตนี้เองคือสวรรค์ รสแห่งความตั้งมั่นไม่คลอนแคลนนั่นเองคือความสนุกบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งวิญญาณอันหิวกระหายเหมือนได้เจอน้ำผู้ที่ผุดพลุ่งให้ดื่มกินอย่างไม่มีวันจบวันสิน้นขณะแห่งการทรงสติหรือตั้งมั่นในสมาธิจิตจะไม่อะไรการมาคุณทางตาหูจมูกลิ้นและกายเลยแม้แต่น้อยฉันทําสมาธิและเดินจงกรมอย่างเห็นคุณค่าของรถสุขทางจิตมากขึ้นทุกที สุขอื่นเสมอความสงบไม่มีจริงๆวันที่28ฝันคืนนี้ฉันฝันว่าเจ้านายเรียกไปพบและกล่าวตำหนิฉันอย่างรุนแรงในเรื่องต่างๆพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับคู่แข่งบอกทำนองว่าดูซิผมไม่เคยเห็นคุณเจ๋งได้เท่าเขาสักเรื่องในฝันฉันเป็นทุกข์สาหัสอกใจเค้นเครียดก้มหน้าเหมือนหายใจไม่ออก พยายามตั้งสติรู้ลมก็เหมือนฝืดฟื้นคล้ายโดนกระสอบทรายยันหน้าอกกดหลังติดกับพนักพิงอย่างไรอย่างนั้นแต่แล้วในที่สุดฉันก็ทุบโต๊ะตังทะลึ่งยืนพรวดและประกาศกล้องว่าฉันขอลาออกแล้วเดินออกจากออฟฟิศไม่เหลียวหลังช่างเป็นภาวะที่ปลอดโปรง่งอากาศนอกออฟฟิศ ส, สดชื่นลมหายใจใสสะอาดและนุ่มลึกเต็มปอดที่ขยายออกจนสุด อากาศรอบด้านชุ่มฉ่ำเย็นสบายเหลือหลายเหื่อยหน้ามองท้องฟ้าก็เห็นเป็นสีครามประกายมุกสวยสดไม่มีสิ่งใดเทียบมาก่อนรอบด้านคล้ายยิ้มเท่ากับริมฝีปากที่เหยียดกว้างขวางของฉันไม่มีวันใดในช่วงแห่งความคับแค้นใจที่รู้สึกเบิกบานได้เท่านี้เลยตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นถ้าเป็นคนอื่นนี่คงเป็นฝันผ่านชั่วข้ามคืนที่เหลวไหลไร้สาระไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่มีอะไรน่าใคร่ครวญพิจารณาแต่เพราะฉันเคยพบอุสภะเถระคาถาว่าด้วยสุภาษิตเกี่ยวกับความฝันของพระเถระชื่ออุสภะก็เห็นว่าความฝันเป็นสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาคิดมาเจริญปัญญาให้บรรลุธรรมได้พระอุสภะท่านฝันว่าได้ห่มจีวรสีอ่อนเฉวียงบ่านั่งบนคอช้างเข้าไปบินทบาทยังหมู่บ้านพอเข้าไปก็ถูกมหาชนพากันมารุมมงดูอยู่ จึงลงจากคอช้างแล้วค่อยกลับสติลืมตาตื่นขึ้นพิจารณาด้วยความสลดใจว่าในฝันนั้นท่านไม่มีสติสัมปชัญญะจิตแสดงความกระด้างด้วยความมัวเมาชาติตระกูลยังไม่ใช่ผู้ละแล้วซึ่งอัศมิมานะเมื่อท่านเห็นความน่าสังเวชแห่งจิตตนอยู่เช่นนั้นบวกกับที่ได้สั่งสมอบรมเจริญสติปัฏฐานมาอย่างดีก่อนหน้านี้แล้วก็ได้บรรลุทำขั้นสูงสุด เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพุทธศาสนาแน่นอนฉันยังแก่กล้าไม่พอขนาดพิจารณาฝันเห็นความจริงเกี่ยวกับมานะแล้วสามารถละจนบรรลุธรรมได้แต่อย่างน้อยก็ได้ปัญญาแบบเก็บนิดเก็บหน่อยฉันเห็นจากฝันที่สดชัดสมจริงนั้นว่าคนเราอาจสุขทุกข์ได้เท่าๆสุขทุกข์ยามตื่นอยู่จริงๆแล้วอย่างนี้สุขกับทุกข์ทั้งหลายจะต่างอะไรจากฝัน ผ่านมาแล้วผ่านไปให้ระลึกว่าสิ่งนั้นล่วงไปแล้วไม่ใช่ความรู้สึกอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเราในเวลานี้อีกแล้วกลายเป็นของไม่จริงในปัจจุบันไปซะแล้วสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่สองหนึ่งสติเริ่มย่างก้าวเข้ามาในมิติของนามธรรมเน้นหนักที่เวทนาบางครั้งล่วงเลยไปรู้สภาพจิตบ้างอันเป็นธรรมดาที่เมื่อเห็นเวทนาชัดลักษณะจิต ย่มปรากฏอย่างแยกไม่ออกและเมื่อเห็นเวทนามากเข้าจนถึงขั้นเปรียบเทียบชัดได้ว่าระหว่างตื่นกับฝันยามหลับสุขทุกข์ทั้งหลายไม่แตกต่างกันความถือมั่นในสุขทุกข์ทั้งหลายยิ่งเบาบางลงจนเหลือเยื่อเท่าใยแมงมุมอย่างน้อยก็ขณะมีสติรู้ชัดอยู่นั้น 2. การยอมรับสภาพตามจริงที่ปรากฏแม้ว่าเป็นสภาพไม่ดีไม่น่าพอใจ ทำให้เกิดทุกข์อึดอัดขัดข้องอย่างไรก็ตามน่าจะเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดที่จะเปิดกายนครและจิตตานครนี้ให้สติเดินเข้าไปสำรวจศึกษาได้โดยปราศจากฝ้าหมอกขะมุกขมัวใดมุงบงังขณะที่นิสัยไม่ยอมรับความจริงอันเป็นธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์เปรียบเสมือนเชือกที่มัดมือเท้าเราไว้กับเครื่องจองจาชื่ออุปทานไปจนกว่าจะตายพอตายแล้ว ก็ต้องเกิดใหม่มาอยู่กับเครื่องจองจำชื่อเก่าแปลกเปลี่ยนไปก็เพียงฉากแวดล้อมของเครื่องจองจำเท่านั้น